ตอนที่24พิธีคาระวะรับญาติและสองพี่น้องตระกูลเฉินไปหนิงหนิงเองก็ตกตะลึงไปเช่นกันนางไม่คาดคิดเลยว่าท่านผู้เฒ่าเฉินจะมอบของขวัญล้ำค่าเช่นนี้ให้แก่นางนางหันไปมองฟู่ชิงหานที่อยู่ข้างกายโดยสัญชาตญาณเห็นเทียงชายหนุ่มกำลังจ้องมองนางอยู่เช่นกันดวงตาคมเข้มลุ่มลึกคู่นั้นไม่มีแววตรนกตกใจมีเพียงความอ่อนโยนที่เปี่ยมล้นจนแย่าจะาตัสวาสด์และความภาคภูมิใจราวกับเขากำลังบอกนางว่า ดูสิเจ้ากู้ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดในโลกล่าใบนี้อยู่แล้วเลขาจางมองปฏิกิริยาของทุกคนด้วยความพึงพอใจพยักหน้าเบาๆก่อนจะประกาศกล้องต่อไปว่าท่านภูเท่าเฉินกล่าวว่าพิธีคาระวะรับย่าจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการนักขาว ห, หาก่าวตระกูลเฉินในเร็วๆนี้เมื่อถึงเวลานั้นจะเชิญเหล่าญาสนิทมิตรสหายมาร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมกัน วันนี้ที่ผมมาประการแรกคือเพื่อประกาศข่าวดีนี้และประการที่สองคือมาทำหน้าที่แทนท่านผู้เฒ่าเพื่อเชิญหลานสาวสุดที่รักของท่านกลับบ้านในอีกสาวันข้างหน้าเพื่อทำความรู้จักคุ้นเคยกับคนในครอบครัวคำพูดนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงแท้แน่นอนลินวันชิงไม่อาจฝืนทนได้อีกต่อไปแก้วเหล้าในมือร่วงหล่นลงพื้นเสียงดังเคร้งของเหลวสีแดงฉานสาดกระเซ็นราวกับหยาดโลหิตย้อมกระปรองสีขาวบริสุทธิ์ของนางจนด่างพร้อย นางยืนเหม่อลอยด้วยความอับยสอสูและสภาพที่ดูไม่ได้งานลีลาที่นางจัดเตรียมมาอย่างพิธีพิถันเพื่อให้ตนเองเป็นจุดเด่นที่สุดพังทลายลงอย่างไม่เป็นท่าทว่าแววตาของนางกลับยิ่งมืดมนลงหลินวันชิงผู้นี้เกิดมาอยากได้อะไรก็ต้องได้ไม่เคยต้องพบกับความประชัยเช่นนี้มาก่อนไปนิงน่งๆเราจะได้เห็นดีกันสามวันต่อมาณนะคาริหาดก่าวตระกูลเฉิน ขณะนั่งอยู่ในรถจี๊ปที่มุ่งหน้าไปยังคารหาตดเก่าตระกูลเฉินไปหนิงหนิง<ๆ>ก็มองชุดกี่เพ้าสีเรียบหรูบนร่างของตนฝ่ามือของนางกลับมีเหงื่อซึมออกมาบางๆงนางผ่านชีวิตมาสองชาติพบเคยพบเจอเหตุการณ์ใหญ่โตมานับไม่ถ้วนแม้แต่บนเตียงผ่าตัดที่กุมความเป็นความตายของคนที่นางก็ยังผ่านมาได้ทว่าไม่ต้องผเผชิญกับพิธีคาระวะรับญาติที่กำลังจะมาถึงนางกลับไม่อาจห้ามความรู้สึกประมาได้เลย มันไม่ใช่ความประหม่าเหมือนยามาเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกรง่งแต่มันคือความกระวนกระวายใจราวกับคนพัทถินที่กำลังจะได้มีครอบครัวในโลกที่แสนแปลกประหลาดไปนี้นางกำลังจะมีครอบครัวจริงๆหรือเริ่มจากความใส่ใจที่มีต่อพันธมิตรอย่างฟู้ชิงหานและตอนนี้ยังมีการรับญากของตระกูลเชิญอีกพันธะระหว่างนางกับโลกในนิยายใบนี้ดูเหมือนจะยิ่งลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆนางขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อถลำลึกเข้าไปแล้วก็ยากจะถอนตัวออกมาได้เสียแล้ว ฟู่ชิงหานสังเกตเห็นความสับสนและทำตัวไม่ถูกของนางได้อย่างรวดเร็วเขาคิดว่านางเพียงแค่ประมาทเพราะอีกฝ่ายคือตระกูลเฉินการเปลี่ยนแปลงฐานะอย่างกระทันหันเช่นนี้ย่อมไม่แปลกที่จะมีความรู้สึกวุ่นวายเขายื่นมือหนาออกไปกุมนิ้วมือที่เย็นเยียบและสั่นเทาของนางไว้ในอุ้งมืออย่ากลัวเลยน้ำเสียงของเขาทุ้มต่ำทว่าทรงพลังคุณปู่เฉินรักเจ้าจากใจจริงท่านเอ็นดูเจ้าเหมือนหลานสาวแท้ๆเจ้าเพียงแค่เป็นตัวของตัวเองก็พอ เมื่อสัมผัสได้ถึงไออุ่นและพละังกำลังที่ส่งผ่านมาจากฝ่ามือของเขาความประหม่าในใจของไปหนิงหนิงก็ดูเหมือนจะมาลายหายไปกว่าครึ่งนางเงยหน้าขึ้นและส่งยิ้มบางๆให้เขาอืมฟู่ชิงหานมองท่าทางแซงทําเป็นสงบของนางแล้วใจก็อ่อนด้วยลงเขาเสริมว่าต่อให้พวกเขาไม่ชอบเจ้าก็ไม่เป็นไรพระเจ้ายังมีพี่ยังมีพี่คำพูดสั้นๆเรียบง่ายเพียงไม่กี่คํานี้กลับปลอบประโลมจิตใจคนได้ดียิ่งกว่าถ้อยคำหรูหราใดๆ หัวใจของไป๋หนิงหนิงราวกับถูกฉลมด้วยน้ำอุ่นเขาช่างรู้วิธีปลอบใจคนเสียจริงบางทีนางอาจจะคิดมากเกินไปการได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาในโลกนิยายแบบนี้ก็ดูไม่เลวเหมือนกันพิธีคารวะรับญาจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายทว่าวเคร่งขรึมผู้ที่มาร่วม ง, งานล้วนเป็นบุคคลระดับยอดเทอระมิดของเมืองจริงทั้งสิน้นไป๋หนิงหนิงเปลี่ยนมาสวมชุดกี่เพ้าสีสะอาดตาโดยมีฟู่ชิงหานคอยเคียงข้างนังก้าวเดินเข้าไปในซื่อเหย่อยวนที่เป็นประจักษ์พยานต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของหัวกัวมาอย่าาางยาวนน ท่ามกลางโถงกลางบ้านนางคุกเขา่าทำความเคารพอย่างนอบน้อมต่อหน้าท่านผู้เท่าเฉินที่นั่งอยู่บนเก้าอีท้ที่ซื่อและป้ายวิญญาณของฮูยินเท่าเฉินผู้ล่วงลับก่อนจะยกชาคาระวะรับญาตขึ้นถวายไอหยาเด็กดีลุกขึ้นเร็วเข้าท่านผู้เท่าเฉินตื้นตันใจจนน้ำตาคลอเบ้าทัานรีบก้าวเข้ามาพยุงไปนิง่งนิ่งให้ลุกขึ้นด้วยตนเองนับจากนี้ไปที่นี่คือบ้านของเจ้าใครกล้ารังแกเจ้าก็เท่ากับเป็นศัตรูกับข้าเฉินจิ้งไห่ผู้นี้ น้ำเสียงของผู้เท่าดังกังวนทรงพลังเป็นการประกาศความคุ้มครองที่แข็งแกร่งที่สุดให้แก่ไปหนิงหนิงในขณะนั้นเองชายหนุ่มหญิงสาวสองคนก็เดินออกมาจากเรือนหลังชายหนุ่มที่เดินนำหน้าอายุประมาณ25หรือ26ปีเขาวสวมชุดจงซานที่ตัดเย็บอย่างพอดีตัวใบหน้าหล่อเหลากลิ่นอายดูสง่างามและสุขุมลุ่มลึกดวงตาคู่นั้นใช้แววเฉลียวฉลาด เขาคือเฉินมู่ไปหลานชายคนโตของท่านผู้เท่าเฉินคนเดียวกับที่โทหาฟู่ชิงหานอย่างร้อนรนในคืนนั้นเขาเปลี่ยนจากสภาพสุดโสมที่โรงพยาบาลกลายมาเป็นคุณชายผู้สูงศัก์อย่างเต็มตัวสมกับที่เป็นคนหนุ่มอนาคตไกลที่ดํารงตําแหน่งสาคัญในหน่วยงานระดับชาติตั้งแต่อายุยังน้อยส่วนที่เดินตามหลังเขามาคือเด็กสาวอายุประมาณ18หรือ19ปีนางสวมชุดเรสสีชมพูหน้าตา ส, สวยทว่าระหว่างคิ้วกลับแฝงไปได้วยความโอหังและช่างเลือดที่ถูกตามใจจนเสียคน นางคือเฉินยาวเจ้าหญิงน้อยแห่งตระกูลเฉินหนิงหนิงเคยเห็นนางที่โรงพยาบาลสองครั้งแต่ไม่เคยได้พูดคุยกันคุณปู่ทั้งสองเอ๋ยทักทายพร้อมกันมามาท่านผู้เท่าเฉินกวักมือเรียกอย่างดีใจเมืงูไปเหยา่เหยา่พวกเจ้าทั้งสองคนเคยเห็นหนิงหนิงมาแล้วหากไม่มีนางชีวิตปู่คนนี้คงมอดม้วยไปแล้วบุญคุณอันยิ่งใหญ่ไม่จําเป็นต้องเอ่ยคําขอบคุณต่อไปนางคือคนในครอบครัวของพวกเจ้าพวกเจ้าต้องปฏิบัติต่อนางให้ดีเข้าใจไหม เฉินมู่ไบมองไปที่ไปหนิงหนิงแววตาของเขาเต็มไปได้วยความชื่นชมและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเขายิ้มเล็กน้อยและยื่นมือออกมาทักทายหนิงหนิงตามอายุแล้วพี่แก่กว่าเจ้าสามปีเจ้าเรียกพี่ว่าพี่ชายเถอดต่อไปเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วท่าทีของเขาดูสงาา่าผ่าเผยไม่ถ่อมตัวจนเกินไปและไม่โอหังมีทั้งความภูมิฐานของลูกหลานตระกูลใหญ่และความเป็นกันเองที่พอเหมาะพอดีไปหนิหนงหนิงมีความรู้สึกที่ดีต่อเขานางจึงยื่นมือออกไปเช่นกันสวัสดีค่ะ เว่าเฉินเยาที่อยู่ด้านข้างกลับเพียงแค่เบ้ปากเอ่อเรียกพี่หนิงหนิงอย่างไม่เต็มใจนักแววตาของนางเต็มไปด้วยการจับผิดและความไม่ยอมคนนางไม่เข้าใจเลยว่านางเด็กบ้านนอกที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้คนนี้ต่อให้ช่วยชีวิตคุณปู่ไว้แต่ก็ให้รางวัลไปแล้วไม่ใช่หรือทำไมคุณปู่ต้องรับนางเป็นหลานสาวด้วยทั้งที่นางต่างหากที่เป็นหลานสาวสุดที่รักเพียงคนเดียวของคุณปู่หลังจากพิธีคาระวะรับย่าสิ้นสุดลงทุกคนก็นั่งพูดคุยกันตามสบาย เฉินมู่ไปเดินเข้ามาหาไปหนิงหนิงอย่างเป็นธรรมชาติและเอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว่าหนิงหนิงเจ้ามีวิชาแพทย์ที่สูงส่งพี่มีเพื่อนคนหนึ่งกำลังเตรียมโครงการเผยแพร่การแพทย์แผนจีนไปต่างประเทศในอนาคตอาจจะต้องพบกับปัญหาทางวิชาชีพบางอย่างไม่ทราบว่าวันหน้าพี่จะขอคำชี้น่ะจากเจ้าได้หรือไม่แน่นอนคะ่ะไปหนิงหนิงพยักหน้าดีเหลือเกินนี่คือนำบัตรและช่องทางติดต่อของพี่เฉินมู่ไปยื่นนำบัตรให้พลางกล่าวต่อวันหน้าในเมืองจริงหากมีเรื่องอะไร เจ้าสามารถมาหาพี่ได้ทุกเมื่อคำพูดของเขาอ่อนโยนกิริยาท่าเหมาะสมเป็นความห่วงใยที่พี่ชายมีต่อน้องสาวอย่างแท้จริงทว่าภาพเหตุการณ์นี้เมื่อตกลงไปในสายตาของฟู่ชิงหานที่ยืนเงียบมาตลอดกลับทําให้บรรยากาศรอบตัวเขาย่นเยียบลงหลายองศาในทันทีเขาก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวรวบตัวไปนิงหนิงเข้ามาไว้ในอ้อมอกอดอย่างเป็นธรรมชาติดวงตาขมเข้มฉายแววระแวดระวังและเป็นศัตรูที่ยากจะสังเกตเห็นน้ำเสียงของเขาเย็นชาและแข็งกร้าว เรื่องของภรรยาผมไม่รบกวนให้ผู้อํานวยการเฉินต้องลําบากใจหรอกครับเฉินมู่ไปยิ้มบางๆไม่ได้เอ่ยอะไรต่อหลังจบพิธีคารวะรับญาชีวิตของไปหนิงหนิงก็ถูกรบกวนอย่างสิ้นเชิงฐานะหลานสาวบุญธรรมของท่านผู้เฒ่าเฉินเปรียบเสมือนรัศมีอันเจรจรัสที่ปกคลุมร่างนางไว้ผู้คนต่างพากันมาเยี่ยมเยียนมอบของขวัญและพยายามเข้ามาตีสนิทอย่างไม่ขาดสายแม้แต่ทางคารวะตระกูลฟู่โจอวีอว๋เฟินย่งถึงขั้นหิวตะกร้าไข่ไก่และผละไม้มาเยี่ยม นางถึงที่บ้านใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มประจบสอพลอจนดูน่ารังเกียจไปหนิงหนิงรู้สึกกำลัญใจจนเหลืออดฟู่ชิงหานมองเห็นทุกอย่างอยู่ในสายตาคืนนั้นเขามองไปหนิงหนิงที่พึ่งส่งแขกชุดสุดท้ายกลับไปใบหน้าสวยสง่าของนางเต็มไปด้วยความเหนื่้าเขาจึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงทุ่มต่ำเก็บข้าวของเสียนหน่อยหืมจะไปไหนคะไปหนิงหนิงถามด้วยความไม่เข้าใจที่ขอลาพักฟื้นแล้วดวงตาคมเข้มของฟู่ชิงหานแฝงไปด้วยความผเด็ดการที่ไม่อาจปฏิเสธได้ จะพาเจ้าไปพักที่ริมทะเลสักสองสาวันถือเสียว่าไปพักผ่อนเขาไม่ได้บอกว่านี่คือการพานางหลบหนีจากความวุ่นวายในเมืองจริงและไม่ได้บอกว่านี่คือการตัดขาดจากปัญหาทุกอย่างที่หลินวันชิงอาจจะก่อขึ้นเขาเพียงใช้คำว่าพักผ่อนสั้นๆเป็นเหตุผลที่นางไม่อาจปฏิเสธได้ริมทะเลหรือดวงตาของไปหนิงหนิงเป็นประกายขึ้นมาทันที ชาติก่อนในฐานะผู้สืบทอดตระกูลวอนยุธโบราณวันว น, นางถ้าไม่ฝึกยุทธก็ต้องหมกมุ่นอยู่กับวิชาแพทย์แทบไม่มีเวลาเป็นของตนเองนางเคยอ่านคำบรรยายเกี่ยวกับท้องทะเลในหนังสือมานับครั้งไม่ถ้วนสีครามกว้างใหญ่ไพศาลและเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งเสรีภาพการได้ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ริมทะเลสักครั้งกลายเป็นความปรารถนาเล็กๆที่แสนหาน่างไกลในก้นบึ้งของหัวใจนางไม่นึกเลยว่าความปรารถนานั้นจะกลายเป็นจริงในชาตินี้ในโลกใบนี้การมีพันธะเช่นนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไป ตกลงค่ะนางตอบตกลงอย่างรวดเร็วน้ำเสียงแฝงไปได้วยความดีใจที่แม้แต่ตนเองก็ยังไม่ทันสังเกตเห็น